วันนี้เป็นวันพระวันพระแปลว่าคำว่าพระแปลว่าประเสริฐความประเสริฐเกิดจากการกระทาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและเป็นประโยชน์กับตนเองไม่เป็นโทษแก่ผู้อื่น ไม่เป็นโทษกับตนเอง mm. ผู้ที่มีความประเสริฐ น, นั้นประกอบด้วยคุณสมบัติสามประการด้วยกันคือหนึ่งมีความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตใจปราศจากความโลภความโกรธความหลง เป็นผู้มีความการุณาเมตตาต่อผู้อื่นนะสามมีปัญญาความรู้ความฉลาดที่จะทำสิ่งที่มีแต่คนณมแต่ประโยชน์หรือว่า อะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์นี่คือคุณสมบัติของผู้มีความบริสุทธิ์ผู้มีของผู้ประเสริฐมีอยู่สามประการด้วยกันประเสริฐด้วยใจที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่โลภไม่โกรธไม่หลง ประเสรด้วยใจที่มีความการุณาคือความสงสารผู้อื่นประเสริฐด้วยปัญญาด้วยความรู้คุณรู้โทษรู้เหตุรู้ผลรู้ว่าอะไรเป็นคุนอะไรเป็นโทษทั้งกับตนเองและกับผู้อื่น ถ้ามีคุณสมบัติสามประการนี้ก็จะเป็นผู้ประเสริฐพระพุทธเจ้าที่พวกเรากลาวไหวบูชาก็เป็นผู้มีพระคุณทั้งสามประการนี้มีพระมีพระวิสุทธิคุณจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์มี มีพระมาหากาลณาคุณมีความกาลณาเมตตาสงสารต่อสัตว์โลกทรงสละอุทิศชีวิต45ปีเมตตาโปรดสัตว์ช่วยเหลือสัตว์ให้โลกสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากความทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตาย ด้วยพระปัญญาด้วยความรู้อันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครรู้มาก่อนคือรู้พระอริยสัจสี่รู้ว่าความทุกข์คือการเกิดแก่เจ็บตายเกิดจากตัณหาความอยากและการดุดพ้นจากความทุกข์ สุดพ้นได้ด้วยมั้งคือการปฏิบัติทานศีลภาวนานี่คือคุณวิเศษของพระพุทธเจ้าที่ทำให้พระพุทธเจ้าเป็นเป็นพระเป็นผู้ประเสริฐที่เป็นที่เคารพนับถือของสัตว์โลก ทั้งปวงพราะพระพุทธเจ้าทำแต่คุณทำแต่ประโยชน์ให้แก่โลกไม่ได้ทำให้ผู้อื่นเสียหายไม่ได้ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนมีแต่ทำคุณทำประโยชน์นี่คือสิ่งที่ทำให้ ไข่ก็ตามถ้าสามารถมีคุณสมบัติทั้งสามประการนี้จะเป็นบุคคลที่ประเสริฐน่าเคารพนับถือยกย่องน่าเคารพ บ, บูชากลาบไหว้นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสงสอนให้พวกเรามาบำเพ็ญ มาปฏิบัติกันเพราะความประเสริฐนี้นำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงความสุขที่ท้าวอนทีวชําำระจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์เมื่อจิตใจของเราสะอาดบริสุทธิ์แล้วจิตใจจะเต็มเปลี่ยมไปด้วยความสุขที่เรียกว่าบรลมะมสุข นิบบานังป a r a m a n g s u ั ง, ขขงความสุขอันเต็มเปี่ยมภายในหัวใจเกิดจากการชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการบําเพ็ญทานศีลภาวนาเมื่อจิตใจสะอาดบริสุทธิ์แล้วมีความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจแล้วก็จะสามารถทําคุณทําประโยชน์ ให้แก่ผู้อื่นได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจคือไม่ได้ทำเพื่อหวังสิ่งตอบแทนพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกทรงช่วยเหลือสัตว์โลกอย่างพวกเราให้ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดโดยที่ไม่ได้เรียกร้องค่าตอบแทนไม่ต้องการอะไร จากผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้านี้มีทุกสิ่งทุกอย่างเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองความสุขที่ได้จากยศ ตำแหน่งต่างๆความสุขที่ได้จากการสรรเสริญเยินยอความสุขที่ได้จากการรับรางวัลต่างๆเป็นความสุขที่สู้ความสุขที่ได้จากการทําจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ไม่ได้พอจิตใจของพระพุทธเจ้าสะอาดบริสุทธิ์ก็ได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง ที่เรียกว่านัตสันติพลังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เกิดจากการชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์โดยการบําเพ็ญทานศีลภาวนาพอใจได้บําเพ็ญทานศีลภาวนาจนชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้ว ใจก็จะมีความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจเป็นความสุขที่ดีกว่าได้เงินทองมาล้อยล้านพันล้านเป็นความสุขที่ดีกว่าได้ตาแหน่งได้เป็นนายกเป็นประธานาธิบดีเป็นอะไรเปรียบกับที่ได้จากการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เนี่ไม่มีเปรียบกันไม่ได้เหมือนฟ้ากับดิน ผู้ที่มีจิตใจสะอาดบริสุดที่มีความสุขที่บรลป็นบรรมสุขแล้วจึงไม่ต้องการอะไรจากใครแต่ทำคุณทำประโยชน์เพราะด้วยความสงสารเพราะเหตุใดเพราะเห็นว่าผู้ที่ยังจิตใจไม่สาหาดบรยสุดนั้นยังต้องถูกกำนาดของกิเลสตัณหาคอย บังคับขับสบังคับให้ไปหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับตนแต่สิ่งต่างๆที่ไปหานั้นแทนที่จะเป็นความสุขกลับกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเพราะความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเข้าของเงินทองไม่ว่าจะเป็นยศเป็นตาแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นนางวีรางวัลอะไรก็ตามเป็นของชั่วคราวเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปพอหมดไปความสุขที่ได้มาก็หมดไปความทุกข์ก็จะตามมาพวกเรานี้เป็นพวกที่ยังต้องตกอยู่ในกองทุกข์อยู่ ทำอะไรก็ตามหาความสุขแบบไหนก็ตามหามาได้มากน้อยเพียงไรก็ตามเดี๋ยวก็ต้องร้องหม่มร้องไห้กันเดี๋ยวก็ต้องเสียอกเสียใจกันเพราะสิ่งต่างๆที่เราหามาได้มันเป็นของชั่วคราวมันเป็นของที่จะต้องมีวันสิ้นสุดหมดลงไปพอมันจากเราไปเราก็เสียอกเสียใจร้องหม่มร้องไห้ กินไม่ได้นอนไม่หลับหรือถ้าเสียใจมากๆก็ถึงกับฆ่าตัวตายไปนี่คือความทุกข์ที่พวกเราติดกันอยู่โดยไปหลงติดอยู่กับความสุขที่มากับความทุกข์เหล่านี้เป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเหยื่อนี้มันเป็นของอร่อย ปลาเห็นก็อยากจะรับประทานปลาไม่เห็นเบ็ดที่ติดอยู่กับเหยื่อพอไปฮุบเหยื่อเข้าก็ไปถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากเอาถ้าไม่ได้ฮุบเหยื่อก็จะไม่เจ็บปวดรวดแล้าจากตะขอเบ็ดที่เกี่ยวปากพวกเราก็เป็นแบบเป็นพวกปลาที่เห็นเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดก็ มีความยินดีอยากจะคุบมันแต่พอคุบมันเข้าไปถึงจะมารู้ว่ามันมีเบ็ดติดอยู่ด้วยเวลามันเกี่ยวปากแต่พอถูกมันเกี่ยวปากแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องทนทุกข์ไปจนกว่าจะไปหาความสุขอย่างอื่นใหม่มาทดแทนไปหาเหยื่ออันใหม่ ที่มีเบ็ดอันใหม่ติดอยู่ความสุขทุกชนิดที่เราหากันนี่มันมีความทุกติดมาด้วยเสมอและเราจะไม่รู้วันที่เราจะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากความทุกขเหล่านี้ได้เลยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเสียสละไม่มีความเสียสละของพพุทธเจ้ามาโปรด มาสั่งสอนพวกเราให้รู้จากวิธีหาความสุขที่สะอาดบริสุทธิ์ที่ปราศจากความทุกข์คือความสุขที่ได้รับจากการชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ความสุขที่ได้รับจากการกำจัดความโลภความโกรธความหลงกำจัดความอยากคือกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะ ภาวตันหาความอยากมีอยากเป็นวิภวตันหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอันนี้แหละจะนําไปสู่ความสุขที่บริสุทธิ์ความสุขที่ปราศจากความทุกข์ความสุขที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่ถาวรถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าทรงเสียสละทรงมีพระกรุณา มีความเมตตาสงสารต่อสัตว์โลกสัตว์โลกจะไม่มีวันที่จะได้พบกับความสุขอันนี้เลยจะพบแต่ความสุขปลอมความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเสมอนี่คือพระวิสุทธิคุณคือความสะอาดบริสุทธิ์ของพระไทยของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทำอะไรไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนไม่เหมือนพวกเรานี่ทำอะไรต้องคิดก่อนแล้วจะได้อะไรถ้าไม่ได้อะไรก็ไม่ทำดีกว่าเรื่องที่จะทำแบบให้เปล่าๆฟีๆนี่นานๆจะคิดสักครั้งหนึ่งเวลาใจดีวันไหนวันเกิดนี้มีใจดีก็จะคิด ทำอะไรด้วยความบริสุทธิ์บริสุทธิ์ใจสักครั้งหนึ่งทำบุญทำทานให้เปล่าให้ฟรีแต่จะให้ทุกวี่ทุกวันอย่างพระพุทธเจ้านี้ไม่มีหรอกมีใครที่ทำกิจโดยที่ไม่เอาเงินทองเงินทองเป็นสิ่งตอบแทนพระพุทธเจ้านี้สอนธรรมะทุกวันวันละสามรอบ สามสี่รอบด้วยกันธรรมะนี่ก็เป็นวิชาที่สูงสุดในบรรดาวิชาทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ธรรมะเป็นวิชาเดียวเท่านั้นที่ทําให้ผู้ศึกษาได้หลุดพ้นจากความทุกข์เป็นความรู้ที่เอาตัวรอดได้ส่วนความรู้ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ เป็นความรู้แบบท่วมหัวเอาตัวไม่รอดคือไม่รอดพ้นจากความทุกข์นั่นเองไม่ว่าจะไปเรียนความรู้วิชาความรู้ในระดับไหนที่สถาบันการศึกษาที่ไหนในโลกนี้ระดับปริญญาตรีโทเอกมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังของโลกเรียนจบมาก็ยังจะ ไม่หลุดพ้นจากความทุกข์ยังเอาตัวให้รอดพ้นจากความทุกข์ไม่ได้จากวิชาความรู้ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มีวิชาความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนนี้เท่านั้นคือธรรมะที่เป็นวิชาที่จะเอาทำให้ผู้ศึกษาที่ได้ศึกษาจบแล้วรอดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างถาวร คิดดูกันแล้วกันถ้าเอามาขายมาเป็นวิชาขายจะมีราคาเท่าไหร่ดูมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังจะเข้าเรียนนี่ต้องเสียค่า เ, าเรียนเป็นกี่เงนินกี่ล้านกันกว่าจะเรียนจบแต่นี่ ของพระพุทธเจ้านี่เรียนฟรีๆให้ฟรีๆเรียกว่าธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเพราะให้สิ่งที่มีคุณค่ามีคุณประโยชน์มากที่สุดคือให้การหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่มีความรู้อันใดในโลกนี้ที่จะสามารถ ให้กับผู้ศึกษาได้นี่ละคือความบริสุทธิ์ของพระไทยของพระเจ้าไม่มีความโลภอยากได้เงินทองเป็นสิ่งตอบแทนไม่อยากได้อะไรเป็นสิ่งตอบแทนนอกจากการปฏบิบัติบูชาของผู้ที่ศึกษาเท่านั้น การปฏิบัติบูชาก็คือเมื่อได้ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ให้นําเอาไปปฏิบัติให้เต็มที่ให้ครบถ้วนบริบูรณ์ทําทานให้ครบถ้วนบริบูรณ์รักษาศีลให้ครบถ้วนบริบูรณ์ภาวนาให้ครบถ้วนบริบูรณ์เท่านี้แหละที่ ถ้าเป็นสิ่งตอบแทนที่พระพุทธเจ้าต้องการจากผู้ที่มาศึกษาจากพระพุทธเจ้าเพราะว่ามันจะเกิดประโยชน์กับผู้ศึกษาเองผู้ปฏิบัติเองประโยชน์ไม่ได้เกิดจากพระพุทธเจ้าจากการปฏบบิบัติบูชาของผู้ที่ศึกษาจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ต้องการประโยชน์อะไร ามีประโยชน์อยู่เต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจแล้วไม่สามารถที่จะมีเพิ่มเติมได้ดังนั้นการสั่งสอนพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี้จึงกระทาด้วยความสะอาดบริสุทธิ์ทำด้วยความเมตตาสงสารทำด้วยปัญญาความรู้ความฉลาดวิชาความรู้ ที่ยิ่งใหญ่คือมักทางสู่การหลุดพ้นทานศีลภาวนาอันนี้แหละเป็นของสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆวิชาความรู้ต่างๆป ร, ริญญาระดับต่างๆจะสู้ความรู้ ในเรื่องของทานศีลภาวนาไม่ได้นี่คือความเสียสละของพระพุทธเจ้าที่มีต่อสัตว์โลก45ปีด้วยกันทรงบำเพ็ญกิจเพื่อผู้อื่นโดยถ่ายเดียวมีอยู่5ประการด้วยกันที่เรียกว่าพุทธกิจ5 ยามบ่ายก็สั่งสอนศรัทธายาตโยมยามค่ำก็สั่งสอนพระภิกษุภิกษุณีสามเณรยามดึกก็สั่งสอนเทวดายามก่อนที่จะสว่างก่อนที่จะเสด็จออกบินทบาทก็ทรงเรงยานดูว่า จะควรไปสอนใครเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นผู้ใดมีความพร้อมที่จะรับที่จะบรรลุธรรมได้ก็จะทรงโปรดไปสั่งสอนบุคคล น, นั้นในวันนั้นแล้วพอสว่างก็เสด็จออกบินทบาทโปรดสัตว์ให้สัตว์ที่ไม่มีโอกาสได้ทำบุญทาทานได้มีโอกาสได้ทาบุญทำทาน นี่คือภารกิจของผู้ที่มีความสะอาดบริสุทธิ์ทางจิตใจมีใครบ้างทำภารกิจแบบนี้บ้างในโลกนี้ลองไปค้นหาดูลองไปหาในกูเก l e ดูว่ามีใครทำกิจห้าประการนี้มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่สั่งสอนวันละสามรอบโดยไม่คิดเงินคิดทอง สีรอบสั่งสอนสี่รอบแล้วก็โปรดสัตว์ด้วยการออกเดินบินทบาตการบินธบาตททำไมถึงเรียกว่าโปรดสัตว์ก็เพราะว่าถ้าไม่มีพระไปบินธบาตคนใส่บาตก็ไม่มีโอกาสได้ทำบุญแล้วทำไม การบิณฑบาตของพระจึงต่างจากการขอทานของขอทานเพราะว่าการบิณฑบาตของพระนี่ไม่ได้เป็นการขอไม่ไปรบกวนใครอยากจะทำบุญก็ทำได้ใครไม่อยากจะทำบุญก็ไม่ต้องทำแต่ถ้าเป็นขอทานนี่จะไปรบกวนจะไปคอยยืนอยู่ที่หน้าบ้าน หน้าร้านจนบางทีคนเจ้าของบ้านลำคาญไม่อยากจะเจอหน้าแต่ก็ไม่ยอมไปไหนหนีไปไหนต้องยืนรอจนกว่าจะได้เงินได้ทองถึงจะไปแต่การบิณฑบาตของพราพนี้ไม่ไปรบกวนใครเดินไปตามละแวกบ้านแล้วแต่ใครมีศรัทธาอยากจะทำบุญก็ทำ ไม่อยากจะทำบุญก็ไม่ต้องทำอันนี้ต่างจากขอทานอีกอย่างหนึ่งที่ต่างจากขอทานก็คือขอทานไม่มีอะไรให้เป็นสิ่งตอบแทนแต่การทำบุญกับพระสงฆ์องค์เจ้าโดยพระอริยสงฆ์หรือพระพุทธเจ้านี้มีธรรมะเป็นสิ่งตอบแทน ใครทำบุญกับพระพุทธเจ้าหรือทำบุญกับพระอริยสงสาวกแล้วมีความสนใจที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนก็สามารถไปศึกษาจากพระพุทธเจ้าหรือจากพระอริยสงสาวกได้เมื่อได้ศึกษาแล้วก็จะได้ปฏิบัติเมื่อได้ปฏิบัติแล้วก็จะได้รับประโยชน์อันยิ่งใหญ่ คือได้หลุดพ้นจากความทุกข์นี่ถึงเรียกว่าเป็นการโปรดสัตว์เพราะว่าผู้ให้ผู้ใส่บาตรนี้จะได้ประโยชน์มากกว่าเสียประโยชน์เสียข้าวของเงินทองใส่บาตรไปแต่ได้ธรรมะที่มีราคาเป็นเป็นราคาที่นับประมาณไม่ได้ นี่อันนี้ถึงเรียกว่าไม่ได้เป็นการไปขอทานเป็นการไปโปรดสัตว์เป็นการไปเปิดทางให้กับผู้ที่อยากจะได้รับประโยชน์อันสูงสุดที่พึงจะได้รับคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่มีคุณค่ามากกว่าสิ่งต่างๆที่มอีอยู่ทั้งหมดในโลกนี้เพราะว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้มีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่จะทำให้หลุดพ้นได้ใครอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ ถ้าไม่มีพระธรรมคำสอนจะไม่มีวันหลุดพ้นได้ต่อให้มีเงินกองเท่าภูเขาก็ยังจะต้องร้องห่มร้องไห้ยังต้องเศร้าโศกเสียใจต่อให้เป็นพระมหาจากักรพรรดิเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นประธานาธิบดีเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรก็ตาม ก็ยังต้องร้องห่มร้องไห้ยังต้องเศร้าโศกเสียใจอยู่เราให้ได้รับรางวัลระดับไหนก็ตามระดับโลกระดับภูมิภาคระดับอะไรก็ตามก็ยังต้องร้องห่มร้องไห้ยังเศร้าโศกเสียใจอยู่แต่ถ้าใครได้รับธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่ต้องร้องห่มร้องไห้ จะไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจจะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือความประเสริฐของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะมีอยู่ในพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกุก การที่ได้ทําบุญกับพระพุทธเจ้าได้ทําบุญกับพระอริยสาวกนี่ก็เป็นการได้มีโอกาสได้เข้าถึงพระพุทธเจ้าได้เข้าถึงพระอริยสงสาวกพอเราใส่บาตเสร็จเราก็ตามไปวัดถ้าอยากจะฟังธรรมตอนบ่ายพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมก็ไปฟังธรรมฟังธรรมแล้วนําอาไปปฏิบัติพอ เห็นผลจากการปฏิบัติว่าทำให้จิตใจมีความทุกข์น้อยลงทำให้จิตใจมีความสุขมากขึ้นต่อไปก็อาจจะมีศรัทธาออกบวชเพื่อที่จะได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่พอได้บวชก็จะได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าในในตอนคำ่ำแล้วถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่ย่อน ไม่เกินเจ็ดปีพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดว่าจะต้องสำเร็จจะต้องหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแน่นอนถ้าไม่เจ็ดปีก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจดเดือนก็เจดวันอยู่ที่ความสามารถของผู้ที่ศึกษาว่าจะสามารถปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไรถ้าปฏิบัติได้มากก็จะสำเร็จได้เร็ว ถ้าปฏิบัติได้น้อยก็จะสําเร็จได้ช้าแต่รับประกันว่าจะต้องสําเร็จอย่างแน่นอนจะต้องหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอย่างแน่นอนอันนี้คือความประเสริฐอันยิ่งใหญ่ของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระธรรมคําสอน ต่อให้พยายามศึกษาวิชาต่างๆที่มีในโลกนี้ก็จะไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ถ้าหลุดพ้นได้ก็เพียงหลุดพ้นแบบชั่วคราวคือถ้านั่งสมาธิได้ทําใจให้สงบได้ใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ชั่วคราวในขณะที่อยู่ในสมาธิแต่พอออกจากสมาธิมา เดี๋ยวพอเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงขึ้นมาความทุกข์ก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีไม่มีใครรู้จากวิธีที่จะกำจัดความโลภความโกรธความหลงให้มันหายไปจากจิตจากใจได้มีเพียงคนเดียวผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถทำได้ก็คือพระพุทธเจ้านี้เองพอมีพระพุทธเจ้าทรง พ้ค้นพบวิธีที่จะกําจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจได้ก็สามารถเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นได้การอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ก็ให้มาทําลายความโลภความโกรธความหลงด้วยการทําบุญทําทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนานี้เองะ นี่คือเรื่องของความประเสริฐถ้าเราอยากจะเป็นผู้ประเสริฐเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระอริยสงสาวกประเสริฐเพราะเราไม่ไปทำให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อนเราทำให้ตัวเรานั้นปราจจากความทุกข์ ทำให้ตัวเรามีความสุขในตัวเราอันนี้เป็นความประเสริฐที่เราสามารถทำกันได้ไม่ต้องไปเบียดเบียนไม่ต้องไปแข่งแย่งชิงดีกับผู้อื่นเหมือนกับตอนนี้แข่งแย่งชิงดีเพื่อได้นำวันที่หนึ่งฟุตบอลโลกอยากจะประเสริฐประเสริฐแบบทำให้ผู้อื่นเขาเสีย อ, อกเสียใจ อพอพวกที่ถูกอเดินนับแพ้เขาก็เสียอกเสียใจพวกที่ตกลอบก็เสียอกเสียใจกันดีใจแต่พวกที่ได้ชนะอแต่มันก็เป็นความสุขประเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวไม่กี่วันก็ลืมมันไปหมดข่าวที่แล้วใครเป็นแชมป์ลืมไปหมดแล้ว ความสุขของแชมป์ในอดีตนั้นหายไปหมดแล้วต้องมาเติมใหม่ต้องมาเป็นแชมป์ใหม่ในปัจจุบันก็ต้องแข่งแย่งชิงดีกันแล้วก็มาสร้างความทุกข์สร้างความเสียใจให้แก่กันอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีทำตนให้ประเสริฐถึง แ, แม้ว่าจะชนะ ได้เป็นที่หนึ่งของโลกก็ตามแต่เป็นความชนะบนกองทุกข์ของผู้อื่นเป็นความสุขบนกองทุกข์ของผู้อื่นจึงไม่มีใครไปกราบไหว้บูชาพวกที่เป็นแชมป์โลกเพราะมีผู้ที่เขาเกียดชังก็มีผู้ที่เขาแพ้เขาก็เกียดชัง่ง นี่คือไม่ใช่วิธีที่จะทำให้ตนเองเป็นผู้ประเสริฐวิธีที่จะทำตนให้เป็นผู้ประเสริฐต้องชนะตนเองอย่าไปชนะผู้อื่นชนะตนเองคือชนะกิเลสตัณหาของตนนี่เองกําจัดความโลภความโกรธความหลงแล้วจะเป็นผู้ประเสริฐขึ้นมาเพราะจะไม่ไปทาให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อน จะมีแต่ทาคุณทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นโดยถ่ายเดียวเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายที่พวกเรากราบไหว้กันทั้งๆ ท, ที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยพบพระพุทธเจ้าไม่เคยพบกับพระอาหารหันตสาวกแต่เราได้ยินกิตติศัพท์ความดีงามของท่านมันก็ทำให้เราเกิดศรัทธาเกิดความเลื่อมใส ที่จะกราบไหว้บูชาที่อยากจะเข้าใกล้ชิดเพราะจะได้รับประโยชน์ที่ไม่มีใครสามารถมอบให้กับเราได้คือได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี่แหละคือความประเสริฐคำว่าพระนี้แปลว่าผู้ประเสริฐผู้ที่จะประเสริฐนี้ไม่ได้ประเสริฐเพราะเกิดจากการ โกนสีสะแล้วนุ่งผ้าเหลืองอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของพระเป็นเครื่องแบบของพระไม่ได้เป็นคุณสมบัติของพระคุณสมบัติของพระต้องมีความบริสุทธิ์ต้องมีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นต้องมีปัญญาที่สามารถกาจัดความโลภความโกรธความหลง ในตนเองให้หมดสิ้นไปได้ถึงจะเป็นผู้ประเสริฐขึ้นมาเป็นพระขึ้นมาอย่างนั้นคําว่าพระนี้ไม่ได้อยู่ที่การนุ่งเหลืองห่มเหลืองไม่ได้อยู่ที่การโกนสีรษะแต่อยู่ที่จิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์จิตใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความเมตตากรุณาสงสารต่อผู้อื่น จิตใจที่เต็มเปี่ยมด้วยปัญญาความรู้ความฉลาดที่จะกำจัดความโลภความโกรธความหลงต่างๆที่มีอยู่ภายในจิตใจให้หมดสิ้นไปนี่คือวิธีดูพระให้ดูอย่างนี้อย่าไปดูที่รูปล่างหน้าตาอย่าไปดูที่เครื่องแบบต้องดูเข้าไปที่ใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดูยากต้องใช้เวลาต้องต้องมีเครื่องมือดูผู้ที่จะดูพระได้นั้นต้องเป็นพระก่อนเหมือนผู้ที่จะดูเพชรว่าเป็นเพชรแท้เพชรปลอมนี่ต้องรู้จักวิธีดูก่อนต้องเคยเห็นเพชรจริงต้องรู้ว่าเพชรจริงเป็นอย่างไรก่อนถึงจะรู้ว่าเพชรปลอมเป็นอย่างไร ดังนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่าใครเป็นพระไม่เป็นพระเรามาทำตัวเราให้เป็นพระก่อนถ้าเราเป็นพระแล้ว เ, เราจะดูเห็นเราจะรู้ทันทีว่าใครเป็นพระไม่เป็นพระดูที่การแสดงออกของเขาดูที่การพูดการกระทำของเขามันจะบอกว่ามีกิเลสหรือไม่มีกิเลสมีความโลภมีความโกรธหรือมีความหลงหรือไม่ นี่คือเรื่องของวันพระที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติให้สาธุชนพุทธบอยษัตว์ผู้ที่มีความปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ผู้ที่จะมีความปรารถนาเป็นผู้ประเสริฐด้วยการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้มา ศึกษาวิธีที่จะทำให้เป็นผู้ประเสริฐแล้วก็นำมาวิธีที่ได้ศึกษานั้นไปปฏิบัติวิธีที่จะทำให้ผู้ประเสริฐเป็นผู้ประเสริฐหลุดพ้นจากความทุกข์ก็คือการบำเพ็ญทานศีลภาวนานี้เองการบำเพ็ญทานคือการเสียสละแบ่งปัน สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆที่เรามีมากเกินกว่าที่เราจำเป็นจะต้องเก็บเอาไว้ถ้ามีของอะไรที่เกินความต้องการของเราก็เอามาทาบุญทาทานเสียอย่ากเก็บเอาไว้เพราะการเก็บเอาไว้นี่เป็นความโลภเป็นความหวง อยากจะได้ไม่อยากจะเสียเราต้องมากำจัดความโลภด้วยการทำบุญทำทานอย่าเอาเงินทองเข้าของไปใช้กับความโลภความอยากต่างๆเช่นเอาเงินไปเที่ยวอันนี้ก็เป็นความโลภอย่างหนึ่งเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยอันนี้ก็เป็นความโลภ แต่ถ้าเอาเงินไปซื้อกับของที่จำเป็นนี่ไม่ถือว่าเป็นความโลภเช่นถ้าถึงเวลาต้องรับประทานอาหารก็เอาเงินทองไปซื้ออาหารมารับประทานถ้าไม่มีเสื้อผ้าไว้สวมใส่ก็เอาเงินทองไปซื้อเสื้อผ้าอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นความโลภเป็นความจำเป็นต้องมีแต่ถ้ามีพอแล้วเช่นมีเสื้อผ้าพอแล้ว แต่ยังอยากได้เพราะเห็นน่าสวยเห็นน่าชอบเห็นน่ามันถูกใจอยากจะได้โดยไม่มีเหตุผลคือความจำเป็นอย่างนี้ก็เป็นความโลภหรือรับประทานอาหารมากเกินความต้องการของร่างกายก็เป็นความโลภถ้าเราต้องการที่จะให้จิตใจเราปราศ จ, จากความโลภเราต้องใช้เหตุผลเวลาที่เราอยากจะได้อะไร เหตุผลคืออะไรก็คือสิ่งที่เราอยากได้นี้มันจำเป็นหรือไม่ถ้าไม่มีมัน้วเราจะตายหรือไม่เราจะเดือดร้อนหรือไม่ร่่งกายจะเดือดร้อนหรือไม่ถ้าถึงเวลารับประทานอาหารแล้วไม่รับประทานอาหารเพราะกลัวาจะเป็นความโลภอันนี้ไม่เป็นความโลภเพราะถ้าไม่รับประทานอาหารแล้วเดี๋ยวร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยได้ตายได้ อย่างนี้จะไม่ไม่เป็นความโลภแต่ถ้ากินอิ่มแล้วเห็นขนมอยากจะกินอีกอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นความโลภถ้ากินอิ่มแล้วก็จบพออย่างพระนี่พระพุทธเจ้าให้ให้กินมือเดียวพอกินอิ่มแล้วจบเห็นอะไรอยากจะกินทีหลังก็ไม่ให้กินนะให้ฉันมือเดียวฉันอาสนะเดียว ฉันครั้งเดียวฉันเพื่อร่างกายอย่างนี้ไม่เป็นความโลภเป็นความจำเป็นแต่พอฉันเสร็จแล้วเดี๋ยวสายสายเห็นขนมเห็นเครื่องเดิมอะไรก็อยากขึ้นมาอย่างนี้อย่างนี้ความอยากนี่แหละคือความโลภต้องอย่าดืม่มอย่ารับประทานอันนี้ก็คือ วิธีที่เราจะรู้ว่าอะไรเป็นความโลภอะไรไม่เป็นความโลภให้ดูที่ว่ามันจำเป็นหรือไม่จำเป็นมันถ้าจำเป็นขาดไม่ได้ขาดแล้วทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยทำให้ร่างกายตายอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นความจำเป็นถ้ารับประทานอาหารวันนี้เสร็จแล้ว อยากจะรับประทานตอนบ่ายตอนเย็นอีกอันนี้ไม่จำเป็นเพราะว่าถ้าไม่ได้รับประทานก็ไม่ตายไม่รับประทานกลับจะดีกว่าเสียอีกดีตรงไหนดีเพราะว่าจะได้ไม่ว้งนอนจะไม่ขี้เกียจเวลานั่งสมาธิใจจะไม่หลับจะนั่งจะไม่นั่งสับประงกจะไม่มีนิวรคืออุปสรรคในการที่จะ มาทำใจให้สงบถ้ากินมากๆเนี่เวลานั่งสมาธิมันจะสับประนกนั่งหลับคอพับเนี่ยไม่ได้เข้าสมาธิหรอกเข้าผวังหลับไม่ประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์นั่งหรือไม่นั่งก็เท่ากันถ้านั่งแบบนี้นั่งหลับก็เหมือนกับนอนหลับนี่เองช่้ไปนอนดีกว่าอย่าทรมานร่างกายให้มัน ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนี่คือถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราโลภหรือไม่โลภทุกครั้งที่เราต้องการอะไรเอาคำถามนี้มาถามว่าถ้าไม่มีมันไม่ได้มันมานี้จะตายไหมเช่นอยากจะได้แฟนนี่โลภหรือไม่โลภถ้าไม่มีแฟนจะตายหรือเปล่าเวลาเกิดมาก็ไม่ได้เอาแฟนติดมาด้วย ออกจากท้องแม่มาก็มาคนเดียวอยู่คนเดียวมาได้ต้องยี่สิบกว่าปีเห็นมกว่าจะมีเริ่มมีแฟนได้ก็ต้องตอนที่โตแล้วมีแฟนมีคู่ครองเวลามีแล้วมันดีหรือไม่ดีมันสุขหรือมันทุกข์อันไหนมันจะดีกว่ากันมีแฟนกับไม่มีแฟนอันไหนจะดีกว่ากัน คนไม่มีแฟนจะไม่รู้หรอกต้องถามคนที่มีแฟนแล้วถึงจะรู้ว่าอันไหนดีกว่ากันคนไม่มีก็อยากจะมีคนมีแล้วก็อยากจะไม่มีแต่เวลามีแล้วมันก็เลิกไม่ได้มันเหมือนกลืนไม่เข้าคายไม่ออกหวานอมขมกลืนอันนี้เราต้องใช้เหตุผล ถึงจะรู้ว่าเรากำลังโลภหรือไม่โลภนี่คือวิธีที่เราจะตรวจตาดูจิตใจของเราว่าเรากำลังโลภหรือไม่โลภส่วนความโกรธนี่มันมาจากความโลภถ้าเราไม่โลภเราจะไม่มีวันโกรธที่เราโกรธเพราะเวลาเราโลภแล้วเราไม่ได้ ตามที่เราอยากได้เราก็เลยโกรธอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอคนนั้นคนนี้เขาไม่ให้เราเราก็โกรธเขาขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่โลภเราก็จะไม่โกรธเขาส่วนความโลภนี้มันก็มาจากความหลงความไม่รู้เหตุผลนี่ไม่รู้ความพอดีว่าอยู่ตรงไหนก็ต้องใช้ปัญญาคือถามตนเองว่า มันจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าไม่มีมันไม่ได้มันแล้วจะเดือดร้อนจะเสียหายหรือไม่ถ้าไม่เดือดร้อนไม่เสียหายก็อย่าไปมีมันอันนี้หมายถึงทางร่างกายไม่ใช่ทางจิตใจทางจิตใจมันเสียหายแน่นอนเวลามันโลภแล้วมันทุกข์โลภอยากได้อะไรนี้มันกังวลกังวายกระสับกระส่ายกินไม่ได้นอนไม่หลับ พอมันได้สิ่งที่มันอยากได้มันก็หายเพียงแต่ว่ามันหายชั่วคราวเท่านั้นเองเดี๋ยวก็เกิดความโลภใหม่ขึ้นมาอีกแล้วก็เกิดความ ก, กาังวลกังวลกระสับกระส่ายความหงุดหงิดลำคาญใจความเศร้าความมาความเหง า, ควา ม, มาความเศร้าซ้อยหงอยเหงาว้าเว่พอไปทําตามความอยากก็หายชั่วคราว แล้วเดี๋ยวความอยากใหม่ก็โผล่ขึ้นมาอีกอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีที่เราจะกําจัดความโลภความอยากต่างๆวิธีที่จะกําจัดความโลภความอยากต้องไม่ทำตามความโลภความอยากต้องทำใจให้สงบแทนเพราะว่าเวลาที่ทำใจให้สงบความโลภความอยากมันก็จะสงบตัวลงแล้วความรู้สึก กวนกวายกระสับกระสายความหงุดหงิดนำคาญใจความเศร้าซร้อยหงอยเหงาว้าเวาก็จะหายไปเวลาที่ใจสงบแล้วใจจะว่างใจจะเย็นใจจะสบายนี่คือการภาวนาถ้าเราอยากจะกำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปนี้เราต้องกำจัดด้วยการภาวนา แต่ก่อนที่เราจะภาวนาได้เราต้องอาศัยศีลมาช่วยตัดกําลังของความโลภความอยากให้มันอ่อนลงไปก่อนศีลนี้จะเป็นตัวคอยห้ามห้ามไม่ให้โลภไม่ให้อยากศีลห้าก็จะห้ามไม่ให้เราไปโลภอยากได้เงินทองของผู้อื่นไม่ให้เราไปลักไปขโมยข้าของเงินทองของผู้อื่นะ ศีลข้อสามก็จะห้ามไม่ให้เราไปโลภอยากได้สามีภรรยาของผู้อื่นไม่ให้เราไปประพฤติผิดประเวณีไม่ให้เราโกหกหลอกลวงผู้อื่นพอมีความโลภอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งจากผู้นั้นผู้นี้ก็มักจะต้องพูดโกหกหลอกลวงถึงจะได้สิ่งที่อยากได้อันนี้ถ้ามีศีลมันก็จะทาให ความโลภมันมีช่องทางน้อยลงไปช่องทางที่จะไปโลภมันก็จะน้อยลงไปถ้าอยากจะตัดช่องทางให้มันน้อยลงไปมากกว่านี้ก็ต้องถือศีลศีลแปดศีลห้าก็ลดไปห้าช่องถ่อเพิ่มศีลแปดก็ลดไปอีกสามช่องทำให้การกระทา งานของความโลภมันไม่คล่องแค่ ว, ว่องไวไม่สะดวกนะศีลนี้จะช่วยกัน้นช่วยทําให้ความโลภนั้นมันไม่มีทางออกมันก็จะดิ้นอยู่ในใจพอมีศีลคอยกั้นไม่ให้มันออกไปไปทํำเรื่องราวต่างๆมันดิ้นอยู่ในใจก็จะทําให้ง่ายต่อการ หยุดความโลภหยุดความโลภด้วยการมานั่งสมาธิทำใจให้สงบถ้าไม่มีศีลมันก็จะออกไปตามช่องทางต่างๆไปรักขโมยไปประพฤติผิดประเวณีไปดื่มสุรายาเมาไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปเล่นการพนันไปเที่ยวกลางคืน มันก็จะทำให้ยากต่อการที่จะมาทำใจให้สงบจะนั่งสมาธิได้ในใจต้องไม่ไปไหนต้องอยู่กับที่อยู่กับที่ที่สงบเช่นอยู่ที่วัดอยู่ที่วัดที่มีสถานที่ที่สงบเช่นวัดป่าวัดเขาต่างๆที่เป็นสถานที่ที่เอื้อต่อการ ทำลายความโลภให้มันหมดไปจากใจก้นต้นก็ต้องมีศีลการมันไว้ไม่ให้มันออกไปตามสถานที่ต่างๆเมื่อการมันไว้ไม่ให้มันออกไปมันก็จะอยู่ในมันก็จะดิ้นอยู่ภายในใจพอมันดิ้นอยู่ภายในใจเราก็มาภาวนาส ม, มถะภาวนาก่อนมาทำใจให้สงบให้นิ่งก่อนด้วยการฝึกสติ พุโทโธพุโทโธที่เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งในสี่สิบกรรมฐานด้วยกันกรรมฐานสี่สิบนี้เป็นอารมณ์ที่เราสามารถใช้ในการควบคุมความคิดควบคุมความโลภได้หยุดความโลภหยุดความคิดได้เราเลือกได้เราถนัดอย่างไหนชอบอย่างไหนเราก็ใช้อย่างนั้นไป แล้วแต่กรณีแล้วแต่โอกาสแล้วแต่สถานการณ์กรรมฐานนี้อาจจะเปลี่ยนได้เช่นถ้าเราชอบดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเราก็ใช้ในขณะที่ร่างกายมีการเคลื่อนไหวเช่นเวลาเดินจงกรมเราก็ดูที่เท้าเท้าซ้ายเท้าขวาไปควบคุมใจผูกใจให้อยู่กับการก้าวเดินของเท้า เพื่อที่จะไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องเรื่องที่จะโลภนั่นเองถ้าอยู่กับเท้ามันก็จะไปคิดถึงกระเป๋าคิดถึงรองเท้าคิดถึงเสื้อผ้าคิดถึงแฟนคิดถึงที่ท่องเที่ยวไม่ได้พอมันไม่คิดความโลภที่อยากจะไปซื้อข้าวซื้อของต่างๆมันก็เกิดขึ้นมาไม่ได้อันนี้เรียกว่ากายกตาสติให้มีสติจดจอ่อผูกใจให้อยู่กับ การเคลื่อนไหวของร่างกายทุกอิริยาบถถ้าร่างกายไม่ได้เดินจงกรมกําลังทําภารกิจเช่นกวาดถูลานวัดนี่กวาดกวาดถูสาลาก็ให้เฝ้าดูกิจกรรมนั้นให้ผูกใจให้อยู่กับร่างกายอยู่กับการกระทําของร่างกายถ้าไปอาบน้ําอาบท่าก็ให้อยู่กับการอาบน้ําอาบท่าะ อันนี้เรียกว่ากายกตาสติให้ผูกใจให้อยู่กับร่างกายเพื่อที่จะให้ร่างเพื่อไม่ให้จิตใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เมื่อไม่คิดแล้วความโลภ ก, กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นมาแล้วพอเรามานั่งเฉยๆร่างกายไม่เคลื่อนไหวเราก็ต้องเปลี่ยนกรรมฐานเปลี่ยนมาเป็นการดูลมหายใจเข้าออกแทน เรียกว่าอาณาปณะสตินี่คือการใช้กรรมฐานที่ที่จะต้องเปลี่ยนตามกรณีตามเหตุการณ์ถ้าร่างกายเคลื่อนไหวก็ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปถ้าร่างกายนั่งเฉยๆก็ให้ดูลมหายใจให้ดูที่จุดเดียวดูลมอย่างเดียวอย่าไปดูอย่างอื่นอย่าไปสนใจกับสิ่งอื่นนั่งหลับตาแล้วก็ดูที่ปลายจมูก ดูการสัมผัสของลมเข้าลมออกที่ปลายจมูกแพ่งอยู่ตรงนั้นอย่าไปเปลี่ยนที่อย่าไปคิดถึงเรื่องอะไรให้รู้อยู่กับเรื่องลมอย่างเดียวว่ากาลังหายใจเข้ากาลังหายใจออกถ้าลมยาวก็รู้ว่ายาวลมสั้นก็รู้ว่าสั้นลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมหยาบก็รู้ว่าหยาบให้รู้เฉยๆอย่าไปบังคับลม อย่าไปบังคับให้มันยาวอย่าไปบังคับให้มันสั้นเพราะจะเป็นการทำงานของใจนั่งสมาธินี้เราต้องการให้ใจหยุดทำงานต้องการให้ใจนิ่งใจสงบใจต้องจะนิ่งจะสงบได้ใจต้องเพ่งอยู่จุดเดียวให้รู้อยู่อย่างเดียวให้รู้อย่างเดียวให้รูลล้ลมอย่างเดียวเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวใจก็จะนิ่งจะสงบเป็นอุเบกขา แล้ก็จะเป็นความสุขอย่างยิ่งความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจะเกิดตรงนี้เกิดตรงที่เราทำใจให้นิ่งให้สงบได้เป็นความสุขที่ดีกว่าเงินทองร้อยล้านพันล้านดีกว่าตำแหน่งนายกตำแหน่งอะไรทั้งหลายสู้ความสุขที่ได้จากความสงบนี้ไม่ได้เก็จากการที่เราฝึกสติอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่เรานั่งเท่านั้นเราต้องฝึกทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาที่เราหลับเลยถ้าเราใช้กายกรตาสติก็ต้องคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทาต่างๆของร่างกายอย่าปล่อยให้มันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้และเวลานั่งก็ให้หลับตาแล้วก็เพ่งดูที่ปลายจมูกเพียงอย่างเดียวเพ่งแล้วก็ให้รู้ลม อย่างเดียวอย่างอื่นมาให้รับรู้อยากไปสนใจมีภาพมีเสียงมีอาการอะไรต่างๆมาปรากฏให้รับรู้ก็อยากไปสนใจแล้วเดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่สมาธิรวมเป็นหนึ่งศักแต่ว่ารู้สงบเย็นสบายมีความสุข ม, มีอุเบกขาใจจะไม่รู้สึกวุ่นวายไปกับ สิ่งต่างๆที่มาให้สัมผัสรับรูบ้ถึงแม้จะได้ยินเสียงก็ไม่มีความารังทานกับเสียงที่ได้ยินจะรู้สึกเฉยๆเวลาเข้าถึงจุดนั้นแล้วไม่ต้องทำอะไรนั่งเฉยๆไปให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ถ้าเพ่งดูลมได้ก็เพ่งต่อไปถ้าเพ่งดูลมไม่ได้ก็เพ่งอยู่ที่อุเบกขาให้ใจมันเฉยๆอย่าให้มันไปมี ปฏิกิริยากับอะไรต่างๆที่มาให้สัมผสัสรับรู้ให้มันเฉยไปนานๆยิ่งเฉยได้นานเท่าไหร่ก็จะมีกำลังที่จะสู้กับความโลภได้มากขึ้นเท่านั้นเพราะว่าเวลาที่ออกจากสมาธิมาเดี๋ยวความโลภมันจะโผล่ขึ้นมาถ้าเรารู้จักกาหนดใจให้เฉยได้เราก็จะสู้กับความโลภได้การนั่งสมาธินี้เป็นการกาหนด ฝึกใจให้รู้จักวิธีทําใจให้เฉยนั่นเองทําใจให้เป็นอุเบกขาไม่มีอารมณ์กับสิ่งต่างๆที่มาให้สัมผัสรับรู้อันนี้จะเป็นเครื่องมือที่เราจะใช้ในการสู้กับความโลภเวลาที่เราออกจากสมาธิมาดังนั้นเราจึงต้องพยายามฝึกอุเบกขานี้ให้ได้มากๆให้ได้บ่อยๆให้มันชํานาญ ใ, ให้มันมีกําลังมาก ต่อไปเวลามันโล่ไอะไรนี้เราสามารถที่จะหยุดมันได้ทันทีด้วยการทำใจให้เฉยทำใจให้เป็นอุเบกขาแล้วต่อไปความโลภต่างๆก็จะหมดไปจากใจแล้วเราก็จะใช้ปัญญาสอนเราว่าทำไมเราต้องหยุดความโลภเพราะความโลภมันเป็นตัวที่ทำให้เราวุ่นวายใจกันทำให้ใจเราทุกข์กันไม่สบายใจกันไม่ใช่อะไร มีแต่ความโลภนี้เท่านั้นเองัน้นเวลามันโลภมันอยากได้อะไรนี้ต้องหยุดเหมือนอันนี้คือปัญญาเพราะว่าความโลภมันจะนำเราไปสู่ความทุกข์เพราะสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นความสุขชั่วคราวได้แล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปอยากได้อะไรอยากเป็นอะไรมันได้เวลาได้ก็ดีใจมีความสุขเดี๋ยวก็หมดไปปีนี้เดี๋ยวได้แชมป์โลกฟุตบอลโลก ดีใจกันสองสามวันเดี๋ยวก็หมดไปเดี๋ยวความสุขอยากจะได้อย่างอื่นความโลภอย่างอื่นก็โผล่ขึ้นมาอีกเดี๋ยวถ้าเกิดได้มาแล้วเสียไปเช่นได้แชมปโลกแล้วเขามาประกาศทีหลังว่าโกงเขาก็เรียกคืนให้ให้รางวัลกับผู้ที่เป็นนองอันนี้ก็จะเสียใจอีกได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไป การมองนี้คือปัญญาจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรามันจะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเราก็จะไม่โลภไม่อยากได้เราก็จะเลิกโลภเห็นอะไรก็จะเฉยพอโลภ ก, ก็จะเฉยเพราะปัญญาจะเตือนบอกว่าอย่าไปโลภโลภแล้วเดี๋ยวจะทุกข์เนี่ยเพราะว่าสิ่งที่ได้มันเดี๋ยวมันจะหมดได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมด นี่คือปัญญาที่จะต้องใช้ควบคู่กับสมาธิคืออุเบกขาแล้วต่อไปความโลภต่างๆที่มีอยู่ในใจก็จะหมดสิ้นไปใจก็จะสะอาดบอยสุท์ใจก็จะได้รับความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากความโลภต่างๆใจก็ไม่ต้องโลภอีกต่อไปไม่ต้องการอะไรจากใครอีกต่อไปทำอะไรก็ทำเพื่อ สงเคราะห์ผู้อื่นโดยถ่ายเดียวทําเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นโดยถ่ายเดียวเพราะตนเองมีประโยชน์สุขอยู่เต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจแล้วไม่สามารถเพิ่มให้มันมากไปกว่านี้ได้ไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามนี่คือการกระทําของพระพุทธเจ้าและของพระสาวกทั้งหลายท่านไม่ได้ทําเพื่อตอนเองแล้ว ว่าประโยชน์สุขของตอนเองท่านทำได้เต็มที่แล้วด้วยการทำจิตใจของท่านให้สะอาดบริสุทธิ์หลังจากนั้นท่านก็เลยเห็นพรามีความสงสารแก่พวกเราที่ยังต้องทุกข์อยู่ที่ยังต้องร้องห่มร้องห้าอยู่ก็เลยมาสั่งมาสอนให้เรารู้จักวิธีที่จะกำจัดความทุกข์ามจัดความเศร้าโศกเสียใจต่างๆให้มันหมดไปจากใจของเรา นี่คือเรื่องของวันพระวันประเสริฐวันวันของผู้ประเสริฐที่จะมาสอนสิ่งที่ประเสริฐให้แก่พวกเรานำเอาไปปฏิบัติเพื่อเราจะได้เป็นผู้ประเสริฐต่อไปก็ขอให้เรายองพยายามเข้าวัดทุกวันพระศึกษาพระธรรมคาสอนทุกวันพระปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระเจ้าทุกวันพระ แล้วต่อไปเราก็จะเพิ่มเพราะเราจะเห็นคุณค่าของการศึกษาของการปฏิบัติว่าทำให้จิตใจมีความสุขมากขึ้นทำให้ความทุกข์น้อยลงเราก็จะเพิ่มวันพระขึ้นไปจากอาทิตย์ละหนึ่งวันเป็นสองวันสามวันจนในที่สุดก็จะเป็นวันพระทุกวันเพราะเราจะไปบวชเป็นพระนั่นเองแล้วทุกวันก็จะเป็นวันพระเราไม่ไม่นานไม่เกินเจ็ดปีเราก็จะได้ เราก็จะได้ประโยชน์สุขเต็มเปี่ยมได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พอรอนยะทาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานาังอุปปัก ป, ปติ อตทิตังปัติตังตุลหมางกิบบาเมวาสมิตจโตสัพเพโปเลนตุสังกปาจันโทปนนาราโสยถามานิโชติหราโสยถาสัพพิตโยวิวัจจันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะตะวันตราโย สุขีทีขายุโกภวะอะพิวาธนสีิตสะนิจังอุทธาปจายโนจตารโธรรมะวาทานติอายุวันโนสุขังภาลางวันนี้เข้ามาเท่าไหร่จาก Facebook 364, y o ย t u b e 129ูร้อยยี่สบเก วิทยุออนไลน์สามสิบสามผู้รับฟังบนเขาหกสิบเอ็ดรวมห้าร้อยแปดสิบเจ็ดค่ะมีใครอยากจะถามคำถามก็เชิญถามได้ในตอนนี้จะมาถามเองก็ได้จะเขียนใส่กระดาษมาก็ได้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษถ้าอยากจะถามเองก็มาที่ศาลาจะมีไมโครโฟนให้พูดออกเสียง เพราะว่าคำถามจะได้คนฟังจะได้รู้ว่าคำถามเป็นอะไรถ้ายังไม่มีก็จะให้คำถามที่ทางบ้านส่งเข้ามาก่อนวันนี้กล้องทาง y o u t u ู e เสียเลยสมญาณจะขาดหายเป็นช่วงๆค่ะทั้ง YouTube ทั้งเฟซบุ๊กเดี๋ยวมาเดี๋ยวดับค่ะ ก็ถือว่าเป็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอันนี้จังมีคำถามถามเองค่ ะ, <All right. S 2> คะเอาเลยเวลาเราจะทำอะไรสักอย่างแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราทำไปจะ เ, เป็นกรรมกระทาที่ใจร้ายหรือขาดความรับผิด ช, ชอบอย่างสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสหรือหรือเป็นเป็นปัญญาทางธรรมค่ะ ถ้าเราจะต้องอยากระวังอะไรบางอย่างอ่ก็ต้องดูว่ามันจําเป็นต้องทําหรือไม่ถ้ามันจําเป็นไม่ทํามันก็ขัดบกพรองในหน้าที่ของตนทําให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อนอันนี้ก็ถือว่าเป็นอ่การไม่มีความรับผิดชอบอแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่อ ถึงแม้จะเกิดความเสียหายแต่ได้มีการตกลงกับผู้ที่จะเสียหายไว้ล่งหน้าก่อนว่าจำเป็นที่จะต้องไม่ทําอันนี้ก็เพื่อให้ผู้ที่เสียหายเขาจะได้เตรียมตัวรับกับความเสียหายอันนี้ก็ไม่ทําต่อ ก, ก็ได้ือพยายามทําให้การเสียหายมันน้อยที่สุดเพราะว่าคนเราก็ไม่สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ ถึงเวลาสางวันหนึ่งก็อยากจะไปอยู่คนเดียวก็อาจจะต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปก่อนจะไปก็อาจจะต้องทำความเข้าใจทำอะไรมาเป็นเป็นการช่วยผ่อนเบาความเสียหายกลับขอพระคุณค่ะมีคำถามจากเฟ e บุ๊ k คุณทวิชา เรียนถามว่าเมื่อถือศีลแปดพอถึงตอนเช้าที่จะต้องทานอาหารรู้สึกหิวค่ะแต่ไม่รู้สึกอร่อยกับอาหารที่เราทานเลยค่ะก็แสดงว่าหิวทางร่างกายไม่ได้หิวทางใจใจยังไม่หิวอยู่ก็กินเหมือนกินยาเวลากินยามันไม่อร่อยใช่แต่ก็ต้องกินเพราะกินเพื่อร่างกายไม่ได้กินเพื่อจิตใจ เวลาร่างกายหิวเราก็กินแต่ใจเราไม่หิวใจเราอาจจะอิ่มด้วยศีลอิ่มด้วยสมาธิก็กินไปอย่างนั้นแล้วถ้าเราหิวจนท้องร้องแล้วปวดท้องนั่นนั่นคือกิเลสหรือว่าร่างกายรับไม่ได้คะจอ๋อก็คงคงไม่ใช่ร่างกายหรอกเพรร่างกายอดได้สิบวันอยู่ในถ้ำยังอยู่ได้ กิเลสอย่างนั้นถ้ามันถ้ามันเดือดร้อนเนี่ยแสดงว่ามันเรื่องของกิเลสเ ค, คำถามต่อไป Facebook คุณมินอยากถามถึงพระในดงใหญ่ลึกที่อยู่มาตั้งแต่สมัยพุท ธ, ธกาลท่านมีอยู่จริงไหมคะในปัจจุบันเคยได้ยินเรื่องเล่าของพระทุดงพูดถึงเมื่อศาสนาเสื่อมลงหรือคำสอนถูกบิดเบือน ท่านจะคอยปั้นศิษย์ในดงออกมาให้คำสอนที่ถูกต้องตามพระศาสนาคือผู้ที่เขาสนใจในเรื่องศีลธรรมเขาก็จะไม่ชอบอยู่ในบ้านในเมืองเขาชอบไปอยู่ที่มันห่างไกลจากบ้านเมืองไปอยู่ในป่านในเขาพวกนี้ก็คงจะมีอยู่พวกที่อยู่ในป่านในเขาด้วยความสมัครใจ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพระพระป่าพระพระวัดป่าพระเขากันวัดเขากันคำถามต่อไปจาก YouTube คุณหนูเล็กกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะถึงเวลาเดินจงกรมแล้วชอบดูลมแบบนี้ถูกต้องไหมคะก็มันถ้าดูได้แล้วทำให้ใจว่างใจเย็นไม่คิดปรุงแต่งได้ก็ใช้ได้ แต่มันจะยากกว่าการดูเท้าเพราะลมมันละเอียดกว่าดูยากกว่าดูเท้ามันง่ายกว่าแต่ถ้าเราคิดว่าเราดูลมได้โดยที่ทำให้ใจเราไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปไปโลภไปอยากเรื่องนั้ น, เ ร, น, นเรื่องนี้ก็ใช้ได้อยู่ที่ความถนัดของเราคำถามหมดแล้วค่ะมากค่ะ เออท่าที่ได้ศึกษามาก็พระตจ้าสอนการดูลมในขณะที่นั่งนั่งนั่งหลับตานั่งขัดสมาธิหลับตาแล้วก็ให้นั่งดูลมแต่เวลาร่างกายมีการเคลื่อนไหวก็ให้ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายแต่ถ้าเราจะดูลมในขณะที่กําลังทําอะไรอยู่ก็ เวลาทาอะไรมันก็ต้องดูว่าเรากำลังทาอะไรเวลาเดินจงกรมเราก็ต้องดูว่าเรากำลังเดินไปทางไหนกำลังจะไปเหยียบอะไรถ้าไปดูลมเดี๋ยวไปเหยียบงูเข้าก็จะไม่รู้ฉะนั้นเขาจึงไม่นิยมดูลมในขณะที่ร่างกายมีการเคลื่อนไหวอย่านิยมดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเพราะหนึ่งมันจะได้ปลอดภัย เวลาทำอะไรก็จะได้ไม่เกิดความเสียหายเช่นเวลาขับรถเนี่ยอย่าไปดูลมให้ดูถนนดูรถก็ได้ไหมดูลมเดี๋ยวรถมันวิ่งออกนอกถนนก็หยุดมันไม่หยุดมันไม่ทันอันนี่คือเรื่องของการเจริญสติมันต้องมีทั้งเหตุทั้งผลด้วยไม่ใช่มีแต่ความถนัดอย่างเดียวถ้าถ้าถนัดดูลม ขับรถก็จะดูลมทํากับข้าวก็จะดูลมเดี๋ยวใส่น้าําปลาใส่เกลือเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้พ่ะโมแต่ดูลมเออมันต้องดูว่าเรากําลังทําอะไรในขณะที่เรากําลังทําอะไรอยู่ทําถูกแล้วไม่ถูกเออย่างนี้แต่ถ้าเราไม่ได้ทําอะไรแล้วนั่นแหละถึงควรจะเหมาะสมกับการดูลมเช่เรานั่งหลับตาแล้วทีนี้ไม่ต้องดูไม่ต้องมีอะไรให้ดูแล้วก็ดูลมอืม อันนี้ยังไม่มีคำถามเลยมีมาอีกแล้วสองคำถามค่ะ Facebook จากครูแดงกราบเรียนถามพระอาจารย์การที่เราปฏิบัติฝึกการทำสมาธิหรือเร่งความเพียรจำเป็นต้องอดอาหารเป็นเวลาหลายๆวันหรือไม่คะมันก็อยู่ที่เราไงว่าเราคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับเราหรือไม่ถ้าเรามีปัญหาเรื่องความม่วงนอนเรื่องความเกียดค้าน การอดอาหารมันก็จะช่วยกระตุ้นให้เราไม่เกลียดการไม่ให้เราง่วงนอนแต่เราก็ต้องดูกําลังของเราว่าเวลาอดอาหารแล้วเราควบคุมความหิวได้หรือเปล่าถ้าควบคุมไม่ได้คิดแต่เรื่องอาหารไม่มีเวลาไม่มีสติสตังที่จะนั่งสมาธิได้การอดอาหารมันก็ไม่เป็นประโยชน์กับเราแต่ถ้าเรา สามารถควบคุมความหิวได้เช่นเวลาหิวเรามีสติหยุดความคิดถึงอาหารได้หรือเรามีปัญญาให้มันคิดถึงสภาพที่ไม่น่าดูของอาหารได้นึกถึงอาหารที่อยู่ในปากนึกถึงอาหารที่อาเจียนออกมาจากท้องนึกถึงอาหารที่ถ่ายออกมาถ้ามีปัญญานึกถึงภาพของอาหารเหล่านี้ได้มันก็จะทำให้หายหิว มันก็จะทำให้นั่งสมาธิไม่สับปะงกนั่งจะเวลาเดินจงกรมก็ไม่ขี้เกียจตัวเบาเดินได้นานฉะงนั้นมันก็ต้องอยู่ที่ความสามารถหรือจริตของเราว่าถูกกับการอดอาหารหรือไม่การอดอาหารนี้มันไม่ได้เป็นมันมันไม่ได้เป็นตัวที่จะทำให้เกิดธรรมะต่างๆมันเป็นตัวเร่ง เหมือนเราสมัยที่เรียนวิชาเคมีบางทีเราเอาสารสองอย่างมาผสมกันมันจะไม่เกิดปฏิกิริยาเราต้องมีตัวเร่งเช่นอาจจะต้องใช้ความร้อนพอมีอุณหภูมิสูงขึ้นไอสารสองชนิดมาเจอกันมันก็จะเกิดปฏิกิริยาขึ้นมาหรือไม่ฉชนนั้นก็ต้องใส่สารชนิดที่สามเข้าไปแล้วมันก็จะทำให้เกิดมีปฏิกิริยาของสารทั้งสองชนิด การปฏิบัติธรรมของเราบางทีก็ต้องอาศัยตัวเร่งเช่นการโหดอาหารนี่ก็ถือว่าเป็นตัวเร่งการถือธุดงควรัตนี่สิบสามข้ อ, อนี้ก็เป็นตัวเร่งการบําเพ็ญความเพียรถามว่าจําเป็นไหมอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราต้องการจะให้มันเกิดผลจากการปฏิบัติของเราหรือไม่ถ้าปฏิบัติแล้วไม่ไ ม, มีตัวเร่งไม่มีผลปฏิบัติแล้วก็จืดชืด ปฏิบัติมากี่เดือนกี่ปีก็เหมือนเดิมอันนี้อาจจะต้องหาตัวเร่งมาทําให้มันเกิดผลขึ้นมาเช่นถ้าง่วงนอนนั่งทีไรก็หลับเนี่ยลองว่าอดอาหารดูอถ้าอดอาหารไม่ได้อดอาหารแล้วฟุ้งซ่านก็ลองไปอยู่ที่น่ากลัวดูที่ไหนหน่ากลัวก็ไปหาที่น่ากลัวอยูอ่เช่นมาอยู่ในป่าตอนคืนนี่มันจะมืดเนี่ยแล้วมันจะ รู้สึกน่ากลัวขึ้นมามันก็จะไม่ง่วงนอนเดี๋ยวไปอยู่ตามป่าช้าก็ได้ไปนั่งสมาธิแถวป่าชา้าสูสารต่างๆเนี่ยมันจะทําให้เราไม่ง่วงนอนนี่คือตัวเร่งเมื่อเราไม่ง่วงนอนเราไม่เกียจข้านสติสตังจะดีเวลามีความกลัวนี่มันจะมีความระมัดระวังะ มันมันจะไม่เลื่อยเปื่อยจิตใจมันจะมีความกระตือรือร้นละวัดะวัดระวังละวัดร ะ, ะวั ง, ม, วงมันก็เป็นสติขึ้นมาพอนั่งสมาธิจิตก็จะสะงบขึ้นมาได้เกิดผลขึ้นมาฉะนั้นจะถามว่าจำเป็นไม่จำเป็นก็อยู่ที่ผู้ปฏิบัติเองจะต้องดูว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็น บางคนนั่งสมาธิได้โดยไม่ต้องอดอาหารก็ไม่ต้องนั่งบางคนเ็าเดินจงกรมปฏิบัติธรรมได้อย่างต่อเนื่องไม่มีปัญหาไม่มีความเกียจข้าไม่มีอุปสรรคเขาก็ไม่ต้องใช้ตัวเร่งก็ไม่ต้องใช้การอดอาหารก็ได้แต่ถ้าเขาอยากจะทดสอบทางปัญญาได้อยู่ในที่ปลอดภัยมันยังไม่รู้ว่าตัวกิเลสมันยังหมดหรือไม่หมด ก็ต้องไปหาที่ไปกระตุ้นให้กิเลสมันออกมาว่าถ้ามีกิเลสพอมีที่ที่มันราาเสียวน่ากลัวความกลัวมันก็จะออกมา่เถ้ามันอยู่ในที่ปลอดภัยความกลัวมันก็ไม่มีมันไม่มีเราก็เลยอาจจะคิดว่ามันตายแล้วก็ได้ว่าเดี๋ยวนี้ไม่กลัวอะไรเลยก็เพราะมันไม่มีมันไม่มีอะไรให้น่ากลัวก็ลองไปหาที่ที่มันน่าที่มีสิ่งที่น่ากลัวดู ดูซิว่าใจยังกลัวอยู่หรือเปล่าพระธุดงค์บางทีท่านอยากจะไปทดสอบความกลัวท่านก็ไปหาที่ที่มีเสือเวลาได้ยินเสือมันร้องคลางขึ้นมานี่จะได้ดูที่ใจว่าเป็นยังไงใจกลัวหรือไม่กลัวกลัวจะได้หาวิธีกำจัดมันต่อไปคำถามต่อไป YouTube จะคุณกิติ กราบเรียนถามพระอาจารย์เวลาที่เริ่มต้นภาวนาจะใช้พุโทโธแต่พอจิตใจเริ่มสงบเริ่มสบายมักจะชอบหยุดบริกรรมไปเองแล้วไปดูลมหายใจแทนอยากถามพระอาจารย์ว่าเราควรใช้พุโทโธไปตลอดจะได้ผลดีกว่าไหมครับก็แล้วแต่บางท่านใช้พุโทโธไปจนท่านจิตตกลุมตกบาลรวมรวมเป็นหนึ่งท่านก็ใช้พุโทโธอย่างเดียวบางคน อาจจะสลับจากพุโทโธมาดูลมต่อก็ได้แล้วถ้าจิตรวมสงบได้ด้วยการดูลมก็ดูลมแต่ตอนเริ่มต้นอาจจะดูไม่ได้เพราะจิตมันฟุ้งก็ต้องใช้พุโทโธมาลดความฟุ้งซ่านของของจิตก่อนเพราะจิตมันเริ่มเบาสบายก็ค่อยมาดูลมต่อก็ได้เลยบางทีนั่งไปแล้วดูลมแล้วเดี๋ยวเกิดความเจ็บปวดขึ้นมาอาจจะต้องกลับมาหาพุโทโธใหม่ก็ได้เพราะดูลมแล้วมัน มันมันฟุ้งขึ้นมาอีกแล้ะมันเครียดขึ้นมาก็ต้องใช้คาบริกรรมกลับมากดความเครียดลงไปไแล้วลา่อนั่งไปนานๆแล้วเกิดเกิดความเจ็บขึ้นมาดูลมไม่ได้แล้วทีนี้ก็ต้องกลับมาบริกรรมใหม่บริกรรมไปแป๊บเดียวจิตรวมลงเข้าสู่ความสงบได้าบางทีก็รวมได้ด้วยการด้วยคาบริกรรมบางทีก็รวมด้วยการดูลมแล้วแต่สถานการณ์ ถ้ามันเจ็บมันปวดแล้วดูลมไม่ได้ดูแล้วมันยิ่งเจ็บยิ่งปวดก็ลองใช้คําบริกรรมเดี๋ยวอยู่กับคําบริกรรมพุโทโธพุโทโธเข้ไปดีไม่ดีเดี๋ยวจิตมันรวมพุบเข้าไปเอความเจ็บหายไปเอหลือแต่ร่างกายบางทีก็หายไปเหลือแต่จิตล้วนๆรู้สักแต่ว่ารู้อยู่ตามลําพังก็ได้เอยั้นก็ยังสลับกันได้แต่อย่าสลับโดยไม่มีเหตุไม่มีผลเอสลับ ต้องมีเหตุมีผลแต่ไ ม, ไม่ไม่มีเหตุไม่มีผลให้สลับก็อย่าสลับอยู่กับมันไปคำถามจบต่อไปจะคุณบีนาจะแก้ไขการเกิดผวังอย่างไรคะ อ, อก็อย่าไปนั่งสมาธิอย่าไปนอนนี่วังก็คือผวังก็มีสองอย่างผวังหลับกับผวังสมาธิผวังสมาธิก็คือความสงบถ้าไม่อยากให้มันสงบก็อย่าไปนั่งสมาธิถ้าไม่อยากให้มันหลับก็อย่าไปนอน ก็ไม่รู้ถามมาอย่างนี้จะให้ตอบอยังไงคงจะหมายว่าจะทาไงไม่ให้หลับเมื่งเวลานั่งสมาธิมั้งความหมายก็อยากกินมากเ ก, กินไปกินน้อยให้มันหิวข้าวอดข้าวเวลามันหิวแล้วมันจะไม่ง่วงนอนแล้วเวลานั่งสมาธิมันก็จะไม่เข้าผวังหลับมันจะเข้าผวังสมาธิเข้าสู่ความสงบได้คำถามต่อไปจากคุณมิน การปฏิบัติเมื่อเกิดความสงสยัยการปฏิบัติจะทำให้ล่าช้าขึ้นถูกต้องใช่ไหมคะอย่าสงสัยในคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ปฏิบัติตามแล้วเราจะเห็นจริงใช่ไหมคะก็นล้แต่ว่าความสงสยัยนี่มันสงสัยเกี่ยวกับเรื่องอะไรถ้าสงสัยว่าเราทําอย่างนี้ถูกหรือไม่ถูกเนี่ยเราก็อาจจะต้องไปถามผู้รู้ว่าถูกหรือไม่ถูก ถ้าเราสงสัยว่าคําสอนต่างๆของพระเจ้านี้เออมีจริงหรือไม่ปฏิบัติแล้วได้ประโยชน์หรือไม่ได้ผลหรือไม่อันนี้เราก็ต้องศึกษาให้มันเข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนว่ามีประโยชน์จริงก็ต้องไปศึกษากับคนที่เข้าได้รับประโยชน์มาแล้วเอไปศึกษากับคนที่เคาเรียนจบแล้วเคาก็จะยืนยันนอนยันให้เราฟังว่าปฏิบัติไปแล้วได้ผลแน่นอนเอ อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราสงสัยอย่างไรสงสัยบางอย่างพระพุทธเจ้าเองก็ตอบไม่ได้สงสัยเรื่องโลกว่าเกิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่สงสัยเรื่องกรรมนี้บางทีพระเจ้าก็ตอบไม่ได้มันเป็นจินตใจอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่เราจะต้องปฏิบัติเองแล้วถึงจะได้รับคำตอบต่ อ, ตอไปคาถามจากทางไลน์ไม่ประสองค์ออกนาม การที่เรามีหน้าที่การงานและภาระที่มันต้องทำให้คิดตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องลูกน้องลูกค้าที่ต้องแก้ปัญหาตลอดเพราะเป็นอาชีพรับเหมาทำให้หนูนั่งสมาธิไม่นิ่งนั่งแล้วใจจะคิดไปเรื่องงานที่จะต้องแก้ปัญหาตลอดแต่หนูใช้วิธีพยายามภาวนาและถือศีลห้าศีลแปด ตัดการไปเที่ยวกินดื่มหรือซื้อของต่างๆตามพระอาจารย์เทศสอนและเปลี่ยนเป็นการทําบุญไหว้พระฟังเทศฟังธรรมตลอดหนูขอแนวทางปฏิบัติที่ทําอยู่ตอนนี้และแนวทางการานั่งสมาธิให้ได้ตามพระอาจารย์สอนค่ะเราก็ต้องพยายามลดค่าใช้จ่ายลงลดการใช้เงินใช้ทองให้น้อยลงใช้เท่าที่จําเป็นเราจะได้ไม่ต้องหาเงินมาก เราก็อาจจะเปลี่ยนงานได้แทนที่จะต้องมาทำงานคํำเคร่องอยู่ทั้งวันทั้งคืนอาจจะเปลี่ยนงานเป็นมาขายประกันหรือขายเครื่องสัมมาจะขายเมื่อไหร่ก็ขายได้จะไม่ขายก็ ก, ก, ก็ทำได้เราก็จะได้ลดการใช้ความคิดเราต้องลดการใช้เงินใช้ทองลงเพื่อเราจะได้มีรายจ่ายน้อยลงเมื่อรายจ่ายน้อยลงรายรับก็น้อยลงได้ นันหัดอยู่แบบสามารถหาเรียบง่ายกินแบบถูกๆอยู่แบบถูกๆใช้ของถูกๆจะได้ไม่ต้องใช้เงินมากเมื่อจะไม่ใช้เงินมากก็ไม่ต้องหาเงินมากก็สามารถหางานที่ทำแบบสบายๆได้มีเวลามากให้กับการปฏิบัติต่ตอไปคำถามต่อไปจะคุณ <c oughs> อักเดชเกิดเป็นมนุษย์รักษาศีลห้า แต่พอละโลกไปแล้วไปเกิดเป็นรุกขเทวดาแต่รักษาศีลต่ำกว่ามนุษย์เป็นเพราะอะไรครับก็ศีลมันไม่แน่นอนไงบางวันสามวันดีสี่วันไข้ใช่วันนี้รักษาศีน่าวันพระเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เอาศีลสามมังศีลสองมั่งแล้วแต่เหตุการณ์พาไปผู้ที่จะรักษาศีห้าได้อย่างคงเส้นคงวาต้องเป็นพระอริยเจ้าขึ้นไปเท่นั้น ต้องเป็นพระโสดาบันขึ้นไปถึงจะสามารถรักษาศีลได้อย่างสม่ำเสมอจะไม่ทำบาปโดยเด็ดขาดพระริยะทุกองค์ท่านจึงปิดประตูอบายไม่ต้องไปเกิดในอบายคำถามต่อไปจะคุณเรวัตตอนแรกก็ตื่นเช้าปกติใส่บาตร ท, ทาบุญเลิกงานก็ทำสมาธิแต่ไม่ถึงกับทุกวันครับ แต่พอมาพักหลังรู้สึกว่าตื่นเช้าไม่ไหวก็เลยอยากถามพระอาจารย์ว่าแก้ได้อย่างไรครับก็อย่านอนดึกสินอนหัวค่ำกินข้าวเสร็จก็นอนเลยไม่ต้องไปดูหนังไม่ต้องดูละครไม่ต้องไปดูฟุตบอลดูอะไรถ้ามันนอนหัวค่มเดี๋ยวตีหนึ่งตีสองก็ตื่นขึ้นมาได้นะร่างกายพักผ่อนพอแล้วมันก็จะตื่นขึ้นมาเอง หัดนอนหัวค่ำถ้าอยากจะตื่นแต่เช้าลดการเที่ยวลงลดการบันเทิงลงลดมหัรลศพลงแล้วเดี๋ยวก็จะตื่นเช้าได้คำถามต่อไปจะคุณเริการเดินจงกรมจำเป็นไหมครับปกติแล้วชอบนั่งสมาธิมากกว่าเวลาเดินจงกรมแล้วยังไม่ค่อยสงบถ้าวันๆนั่งอย่างเดียวจะถูกไหมครับก็แล้วแต่ กรณีแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนนั่งสมาธิแล้วหลับเขาก็เลือกเดินจงกรมก่อนเดินจงกรมเพื่อปลุกสติขึ้นมาก่อนเมื่อมีสติแล้วเขาถึงนั่งนั่งแล้วถึงค่อยจะได้ผลได้ความสงบหรืออีกกรณีหนึ่งคือถ้าเราปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนเราจะนั่งไปทั้งวันทั้งคืนก็คงเป็นไปไม่ได้เมื่อเรานั่งแล้วเมื่อยเราก็ต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนเป็นไอเดียบทเดินแล้วก็เดินจงกรมแต่เราก็ปฏิบัติต่อ แล้วก็จเจริญสติต่อเพราะฉะนั้นการเดินจงกรมนี้มันก็แล้วแต่กรณีแต่ถ้าเราวันหนึ่งนั่งสมาธิครั้งเดียวครึ่งชั่วโมงนี้เมื่อเห็นมันต้องไปเดินเพราะมันไปเดินชอปปิง้งไปเดินอะไรมาเยอะแยะไปหมดแล้วถึงเวลาก็นั่งได้เลยแต่ถ้าอยากจะเดินอยากจะอยากจะปฏิบัติทีเราหลายๆชั่วโมงนี้แล้วมันนั่งหลายๆชั่วโมงไม่ได้มันก็ต้องเปลี่ยนจากท่านั่งมาเป็นท่าเดินนั่นเอง คำถามต่อไปจากคุณมิน <c oughs> มีคนกล่าวว่านิพพานคือความดับไม่เกิดแต่ยังไม่ใช่ที่สุดมีที่สุดกว่านิพพานด้วยหรือคะไม่มีหรอกพูดตาแบบคนหูหนวกตาบอดพูดไปให้เนี่ยนิพพานนี้เป็นที่สุดของการเกิดแก่เจ็บตายจิตที่สะอาดบริสุทธิ์จะไม่มีความอยากที่จะไม่มีร่างกายต่อไปก็ไม่มีการเกิดการเกิดไม่ใช่การเกิดของจิตเข้าใจไหมเป็นการเกิดของร่างกาย ที่จิตไปไปขว่คว้าหามาถ้าจิตไม่มีความอยากแล้วจิตก็ไม่รู้จะไปมีร่างกายไว้ทำไมเหมือนถ้าคนไม่ต้องเดินทางไปไหนมาไหนไม่รู้คุณจะมีรถไว้ทำไมถ้าอยู่บ้านได้ตลอดเวลาไม่ต้องออกไปนอกบ้านมีรถก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้ารถเสียรถพังไปก็ไม่ไปซื้อรถใหม่มาใช้นี่ก็คือจิตที่ไม่ต้องการใช้ร่างกายทาอะไร ร่างกายตายไปก็ไม่ไปหาร่างกายอันใหม่มาแทนร่างกายอันเก่าอคําถามต่อไปจะคุณทวิชาจะเรียนถามว่าเมื่อนั่งสมาธิจิตสงบได้ประมาณสี่สิบนาทีเมื่อถอนออกมาจะนั่งต่อไม่ได้เลยค่ะมันไม่สงบอย่างนี้ต้องทําอย่างไรต่อคะถ้าอยากจะปฏิบัติต่อก็ต้องฝึกสติต่อพุทโธใหม่เดินจงกรมไปพุทโธไปเรือดูเท้าไป เปลี่ยนเนริยาบุตแล้วก็มาสร้างสติสติหมดกําลังแล้วพอเราได้สติกลับมาเดินได้สักชั่วโมงสองชั่วโมงกลับไปนั่งใหม่ก็จะนั่งต่อได้เนี่ยการปฏิบัติจึงต้องมีการสลับผัดเปลี่ยนไปพอเวลานั่งนี้จะใช้สติมากแล้วพอมันหมดกําลังมันก็ต้องออกมาเจริญด้วยการเดินจงกรมหรือถ้ามีภารกิจต้องทําก็ทําไปพร้อมกับการเจริญสติไป ถ้าต้องออกมากวาดลานวัดต้องกลับออกมาทําภารกิจต่างๆก็ให้มีสติอยู่กับการกระทําภารกิจเหล่านั้นพอเสร็จภารกิจก็ลองกลับไปนั่งใหม่ต่อคําถามต่อไปจากคุณประพจน์จิตเกิดฟุ้งซ่านขึ้นมาเองควรแก้อย่างไรครับก็ใช้สติหยุดมันใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธ หรือถ้าไม่ชอบพุทโธก็ใช้บทสวดมนต์ก็ได้สวดไปไาในใจสวดไปเรื่อยๆอิติปิโสผักกาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุ ก, กโตโลกาวิทูสวดไปสักพักความฟุ้งซ่านก็จะหายนะาหมดแล้วหรอค่ะฮะหมดแล้วค่ะใหมดแล้วเหอหมดแล้วเดี๋ยวพอพักกินน้ำหน่อยเดี๋ยวรอคำถามค่ะ ถ้ามีก็ถามได้เลยนะถ้ายังไม่มีก็รอไปก่อนกำลังพิมพ์กันอยู่ถามเองค่ ะ, อะพอเราอายุมากขึ้นมากขึ้นแล้วเราอยากสละทางโลกแสดงว่าจิตเราเปลี่ยนจากการปรุงแต่งด้วยสังขารหรือเรามีปัญญาทางธรรมมากขึ้นคะก็ไม่รู้ลหละมันไม่แน่บางทีมันเบือ่อเบือ่อ เบือย่างนี้ก็อยากจะไปทําอย่างนั้นเหมือนเบื่อผมสั้นก็ไว้ผมยาวเบื่อกระโปรงสั้นก็เปลี่ยนเป็นกระโปรงยาวเดี๋ยวมันพอยาวสักพักเดี๋ยวมันก็เบื่ออีกั้นมันมันไม่แน่ว่ามันเบื่อแบบไหนมันเบื่อด้วยปัญญาหรือเปล่าถ้าเบื่อด้วยปัญญามันต้องบอกว่าอ๋อชีวิตคารวะนี่วุ่นวายหนอะมีแต่เรื่องวุ่นวายมีแต่ทุกข์ไม่มีวันจบวันสิ้นไปอยู่แบบนักบวชดีกว่ามี นักบวชอยู่แล้วสงบดุดพ้นจากความทุกข์ได้ถ้าคิดอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นปัญญาแต่ถ้าอยู่แล้วเบื่อไม่รู้จะทำอะไรทําอะไรก็ไม่มีชีวิตชีวาเหมือนเมื่อก่อนเดีย๋ยลองไปบวช ด, ดูซิลองไปอยู่วัดดูซิจะเป็นยังไงออันนี้ก็ยังไม่ได้เป็นปัญญาเป็นแต่ว่าอยากจะเปลี่ยนรสชาติของชีวิตอคอยเป็นอย่างนี้ลองไปเป็นอย่างนั้นดูซิจะเป็นยังไงอ เดี๋ยวถ้าไปเปลี่ยนไปสักพักเดี๋ยวถ้าไปเจอทุกข์อีกเจอความเบื่อหน่าย ก, ก็อาจจะกลับมาอีกนั่นต้องอยู่ที่ถ้าทําด้วยอารมณ์มันก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาพลิกไปพลิกมาถ้าทําด้วยเหตุผลมันก็จะไม่พลิกเนี่ยเพราะเหตุผลไม่เปลี่ยนความจริงมันไม่เปลี่ยนชีวิตของกาลว่ามันวุ่นวายกว่าชีวิตของนักบวชเพียงแต่ว่าจะอยู่เป็นนักบวชได้นานเท่าไหร่ ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเรามีความเพียรพยายามที่จะปฏิสร้างธรรมะที่จะมากำจัดความวุ่นวายใจของเราได้มากน้อยเพียงไรนะเนี่ยมีคำถามมาแล้วคะ่ะจากคุณมินอะไรในการปฏิบัตินั่งสมาธิทายากที่สุดคะพระอาจารย์ยากที่สุดก็คือการนั่งอลยไม่ชอบนั่งกันนะชอบทํานู่นทานีน่ม ถ้านั่งได้มันก็ไม่ยากใช่หมแต่มันนั่งไม่ได้นั่งได้ปุ๊บเดี๋ยวอยากจะลุกอีกแล้วไอ้ตัวที่ทําให้อยากลุกก็คือความคิดเนี่ยความอยากอยากจะทํานูน่นอยากจะทํานี่จิตมันไม่อยู่จิตมันเหมือนเป็นเหมือนลิงเข้าใจไหมอยู่ไม่เป็นสุขมันอยากทํานูน่ทนทํานี่อยากดูนั่นอยู่นี่อยากฟังนูน่นฟังนี่ตั้งแต่นี้ดูแล้วฟังแล้วเดี๋ยวก็เบื่อแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ทุกก็ยังอดไม่ได้ครับ อันนี้ถึงต้องใช้สติถึงจะหยุดมันได้งั่จะถามว่าอะไรยาก ก, ก็คือการฝึกสตินี่ยากการหยุดความคิดนี่มันยากถ้าหยุดความคิดได้มันก็นั่งได้ทำใจให้สงบได้แต่ก็ยากก็ทำได้ถ้าทำไม่ได้จะไม่มีพระพุทธเจ้าจะไม่มีพระอรหันต์ก็จะมีปุตุชนอย่างพวกเราจะมีแต่พวกเล็งอย่างพวกเรา อย่างพวกพระจะไม่มีกันที่มีพระขึ้นมาได้เพราะมีคนสามารถจเจริญสติได้จเจริญปัญญาได้จึงกลายเป็นพระกันขึ้นมาส่วนพวกเรามันยังเป็นลิงกันอยู่ยังอยู่ไม่เป็นสุขเพราะไม่มีเพราะไม่ยอมจเจริญสติกันมันยากก็เลยไม่ทําชอบทําของง่ายๆไปทําตามกิเลสมันง่ายกว่าการที่จะหยุดกิเลส คำถา ม, ถามต่อไปจากทางไลน์เทวดาถ้าอยากเกิดเป็นมนุษย์สามารถกําหนดตายจากสวรรค์มาเป็นมนุษย์ได้ไหมเจ้าคะออไม่ได้หรอกเป็นเทวดามันก็เป็นไปตามอํานาจของบุญพอบุญมันหมดมันก็จะตกมาจากการเป็นเทวดาเองเทวดานี้มันเป็นผลของบุญที่เราทำไว้ส่วนอบายก็เป็นผลบาปที่เราทำเอาไว้ ถ้าไม่อยากจะไปเกิดเป็นเทวดาก็อย่าไปทําบุญแต่ต้องรักษาศีลถ้าไม่รักษาศีลก็ต้องไปอบายถ้าไม่ทําบุญไม่ทําบาปก็จะเป็นมนุษย์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่เรื่อยๆแต่มันยากใครจะไปรู้ว่าจะไม่ทําบาปวันไหนบ้างยังทำบุญเผื่อไว้จะดีกว่าเผื่อกันบาปได้บุญนี่กันบาปได้ คือไม่ทำลายบาปไม่ห้ามบาปแต่จะทำให้บาปยังไม่สามารถส่งผลได้ถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาปเวลาตายไปบุญมันจะออกผลก่อนแล้วพอบุญกับบาปเท่ากันมันก็จะมาเป็นมนุษย์แต่เวลาได้ถ้าบาปมากกว่าบุญมันก็จะไปอาบา ย, ยานั้นที่ให้ทำบุญนี้ก็ส่วนหนึ่งก็เพื่อกันอบายด้วย พรถ้าเราทำบุญแล้วเราทำบาปแต่ถ้าเราบุญเราทำมากกว่าบาปที่เราทำบาปก็ยังไม่สามารถดึงเราไปอาบายได้บุญจะดึงเราไปสวรรค์ก่อนงนั้นทำบุญมากๆดีกว่าเพื่อเป็นการประกรันถ้าเรายังไม่สามารถรักษาศีลให้ได้อย่างบริสุทธิ์ถ้าเรายังพังเผอโกหกบ้างขโมยข้าวของของคุณ น, นั้นคนนี้บ้างหยิบข้าวของของเขาโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตเขาก่อน หรือดื่มชัวรายามาบ้างอะไรทำนองนี้ก็ควรจะทำบุญมาคอยมามามาสู้กับบาปแต่ไม่ได้ทำลายบาปแต่มาสู้กับมันให้มันมีกำลังมากกว่าบาปเพื่อเวลาตายไปจะได้ไม่ไปอบายกันแ ต, แต่บาปไม่หมดมันรอลงอายาเวลาใดบุญน้อยกว่า บ, บาปเมื่อไหร่ไปทันทีเหมือนคนที่รอลงอายา พอทำผิดปั๊บนี่เข้าคุกทันที <c oughs> คำถามต่อไปจะคุณโอวาสการนั่งสมาธิครั้งแรกควรเริ่มต้นนั่งครั้งแรกควรนั่งกี่นาทีนาทีหนึ่งก็ได้สองนาทีก็ได้สามนาทีก็ได้แล้วแต่เรานั่งได้มากน้อยเท่าไหร่ก็นั่งไปอย่าไปกําหนดนั่งไปตามกําลังของเรา ถ้าไปกําหนดแล้วบางทีเราดั้นั่งได้มากกว่าเราก็จะขาดทุนออถ้าเรากําหนดมากเรานั่งไม่ได้เราก็จะเสียใจเราก็จะรู้สึกขาดทุนเห็นนั่งไปตามกําลังของเราไม่ต้องไปตั้งเวลาไม่ต้องไปตั้งนาฬิกานั่งให้มานานที่สุดเท่าที่จะนั่งได้เหมือนกับไปธนาคารแล้วเขาเปิดตู้เซฟให้บอกต้องการเงินเท่าไหร่ที่หยิบไปเราก็หยิบไปตามกําลังของเราใช่ไหมเราต้องถามว่าว่าจะให้หยิบไปเท่าไหร่เขาบอกเอาเต็มที่เลย อยากจะได้เท่าไหร่เอาไปเลยอันนั้นก็เหมือนกันนั่งสมาธิก็เหมือนกับไปเอาเงินในธนาคารเนี่ยเพราะความสงบที่ได้จากสมาธินี้มันดีกว่าความสุขที่ได้จากเงินในธนาคารอย่างนั้นถ้านั่งได้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งดีอย่าไปมักน้อยสันโดดกับเรื่องการปฏิบัติให้มักน้อยสันโดดกับเรื่องข้าวของเงินทองแต่เรื่องเรื่องการปฏิบัตินี้ต้องโลภมาก ต้องอยากให้ได้มากๆอยากได้สมาธิได้นานๆแต่อย่าไปอยากอย่างเดียวต้องนั่งให้ได้ที่สุดเท่าที่จะนั่งได้อยากไปนั่งด้วยความอยากนั่งด้วยกำลังของสติของเราสติของเรานั่งได้เท่าไหร่ก็เอามันเท่านั้นถ้ายังนั่งต่อได้ก็อย่าพึ่งไปลุกคำถามต่อไปจากทางไลยเวลานั่งสมาธิแล้วกายไม่ยอมตั้งตรงชอบเอ็ไปเอ็มาจะแก้อย่างไร ก็ไม่มีสติไงถ้ามีสติมันไม่เ อ, องเนอฉะนั้นเราต้องฝึกสติให้มากๆก่อนตอนที่เราจะมานั่งเวลาที่เรานั่งคุยกันนี้เรามีสติฉะไม่เห็นร่างกายไม่ค่อยเองไปไหนมาไหนแต่พอเวลานั่งปั๊บนี่สติหายไปใจมันร่างกายมันก็เลยเองไปเองมาแสดงว่าสติเรามีน้อยต้องพยายามฝึกสติให้มากแล้วมันจะไม่เอง คำถามต่อไปจะคุณวาสนาเวลาคนเราตายกี่วันถึงจะรู้ว่าตัวเองตายแล้วบางครั้งคนเราก็ตายด้วยอุบัติเหตุโดยไม่รู้ตัวเ อ, อเวลาตายก็เหมือนนอนหลับนะเวลาเรานอนหลับเรารู้ว่าเร า, เรานอนหลับหรือเปล่าไม่รู้หรอกเวลาตายก็เหมือนนอนหลับอะเวลาตื่นขึ้นมาก็เกิดใหม่เวลาเกิดมาก็เวลาเกิดใหม่ก็เวลาตื่นขึ้นมาใหม่ แล้วตื่นขึ้นมาก็เป็นทาลกก็ไม่รู้เรื่องว่าตัวเองเกิดแล้วฉะ น, นั้นเรื่องเวลาตายไปแล้วนี่จะไม่รู้ว่าตายไปนานเท่าไหร่มือนนอนหลับไปหมดหรือยังมีอีกคำถามาหนึ่งค่ะสุดท้ายจากคุณไพโรธมีเพื่อนรุ่นน้องคนหนึ่งเขาป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดระยะไหนไม่ทราบครับ เขาโทรมายืมตังหมอนัดสแกนสมองมีค่าใช้จ่ายส่วนต่างหนึ่งพันบาทผมบอกว่าช่วยได้แค่ห้าร้อยไม่ต้องคืนอย่างนี้ผมจะบาปไหมเพราะผมไม่ได้ให้เขาไปหนึ่งพันบาทครับอ้าวเราได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่บาปหรอกได้บุญเพียงแต่ไม่ได้พันบาทได้บุญแค่ห้าร้อยเท่ได้ครึ่งหนึ่งถ้าให้เขาพันหนึ่งก็จะได้ได้ได้พันได้พันได้บุญหนึ่งพัน ถ้าให้ห้าร้อยก็ได้บุญห้าร้อยไม่บาปให้น้อยให้น้อยให้มากไม่บาปเป็นบุญบุญมากบุญน้อยเท่านั้นเองถึงแม้ไม่ให้เลยก็ไม่บาปถ้าไม่มีจะให้มันก็ไม่มีจะให้ถ้ามีจะให้หรือให้ได้ก็ให้ก็จะได้บุญถ้าไม่ให้ก็ไม่ได้บุญแต่ไม่ได้บาปไม่ได้ทําบุญเท่านั้นเองเอาละนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา